ข้อที่สามชันทะที่เป็นกุศลธรรมะชันทะที่เรียกชื่อเต็มมีที่มาแห่งหนึ่งในพระสูตรซึ่งตราแสดงองค์ประกอบหประการอัญญาที่จะปรากฏให้ได้พบในโลกองค์ประกอบหกประการ น, นี้ยากที่ใครๆจะได้ประสบครบถ้วนถ้าประสบเข้าแล้วก็นับว่าเป็นโอกาสดียิ่งเพราะเป็นการได้ปัจจัยต่างๆ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 ขาดกุศลธรรมชันทะาสอย่างเดียวก็ไม่สามารถใช้องค์ประกอบข้ออื่นๆให้เป็นประโยชน์ได้ดังพุทธพจน์หน้าที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งองค์ประกอบหประการเป็นของหาได้ยากในโลกคือความปรากฏขึ้นแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหนึ่ง การได้กำเนิดเกิดมาในทินแดนของอริยชนคืออริยยตนะหนึ่งความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บุกร่องหนึ่งความไม่เป็นใบเบอรบะปัญญาอ่อนหนึ่งความใฝ่ในกุศลธรรมคือกุศลธรรมมชันทาหนึ่งชันทะที่กล่าวถึงในการปฏิบัติธรรมส่วนมากเป็นชันทะในสัมมาประธานสี่คือในข้อความว่า บุคคลนั้นยังฉันท่าให้เกิดขึ้นพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้ยืนหยัดเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเพื่อความดารงอยู่ไม่เลือนรางไปเพื่อความเพิ่มพูนภัยบุ์เจริญบริบู์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว พึงสังเกตเป็นพิเศษว่าพุทธพจน์นี้ซึ่งถือเป็นคำจำกัดความของสัมมารประธานคือความเพียรชอบความเพียรสมบูรณ์แบบแสดงฉันทะว่าเป็นตัวนําเป็นตัวแท้ของความเพียรที่เป็นโพธิปัจฉิยธรรมแม้ฉันทะที่มาในข้อความอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็มีรูปความคล้ายกัน เช่นฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมทั้งหลายฉันทะในการสมาทานสิกขาฉันทะเพื่อเจริญปัญญนสี่ท่านองเดียวกันนี้ในขั้นรวบยอดเลยทีเดียวเช่นฉันทะเพื่อลาซาภิกเลสเกิดฉันทะในนิพพานดังนั้นจึงจัดว่าเป็นทั้งกัตตุกรรมยตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะคือเป็นทั้งฉันทะที่อยากจะทา และเป็นชันทะในสิ่งที่ดีงามพูดง่ายๆว่าต้องการทำสิ่งที่ดีงามคำพีวิพังแห่งพระอภิธรรมปิฎกอธิบายชัน t ะในสัมมประธานสี่และในอิทิบาสีว่าเป็นกาตุกกรรมยัตากุศลธรรมฉชันทะดังความตามบาลีว่าในประธานสี่ ฉันทังฉเนตีติตัทธัคตโมฉันโทโยฉันโทฉันทิกตากตุกรรมมยตากุสโลธรรมะฉันโทอายังวุจติฉันโทบทว่าอย่างฉันท่าให้เกิดไขความว่าฉันทะเป็นฉไหนความพอใจความมีใจใ่อยู่ความเป็นผู้ใคร่ที่จะทําฉันทานิธรรมะ ซึ่งเป็นกุศลอันใดนี้เรียกว่าฉันทะในอิทิบาสีตถทธกะตโมฉันทิทิปาโทอิทธะพิขุยสมิงสมะเยโลกุตรังยานังพาเวติโยตสมิงสมะเยฉันโ ท, ฉ, นทฉันทิกตากตุกรรมยะตากุสโลธรรมฉันโทอายังวุจติฉันทิทิปาโท ในอิทิบาสีนั้นฉันทาอิทิบาทเป็นไนในสมัยใดภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญโลกุตระฌานละจนถึงความพอใจความมีใจใยอยู่ความเป็นผู้ใคร่ที่จะทำฉันทานิธรรมะซึ่งเป็นกุศลอันใดในสมัยนั้นนี้เรียกว่าฉันทาอิทิบาตคำอธิบายในคำพีวิพังข้างบนนี้ นับว่าเป็นต้นแบบของคำอธิบายชันทะฝ่ายดีในอัรถกาถาทั้งหลายและคงจะเป็นต้นเขาของการจัดเอาชันทะประเภทที่สองมารวมเข้าเป็นข้อเดียวกับชันทะประเภทที่สามนี้นอกจากนี้ในกุตการนิกายปฏิสัมพิธามรรคท่านว่าชันทะเป็นองค์ธรรมในขณะแห่งมรรคทั้งสี่ผลทั้งสี่เป็นมรรค เป็นอภิสมัยเป็นวิราคะและเป็นวิมุตติส่วนในเรื่องบาลีที่อ้างจากคำพีวิพังแห่งอภิธรรมปิดกนั้นบาลีว่ากัตตุ ก, กรรมมยตากุสโลธรรมะชันโธพึงสังเกตว่าที่นี้เป็นกุสโลธรรมะชันโธส่วนในบาลีที่อ้างเนี่ยว่าก่อนเป็น กุสละธรรมชฉันโทจะบับพะมาว่ากุสะเลธรรมะฉันโท